เช้าตามที่ได้บอกแล้วว่าเราจะก็เป็นการปรับเพื่อใช้เรียบเรียงใหม่แล้วก็ทําเป็นหนังสือก็ทําให้เป็นประโยชน์ต่อคนทั่วไปถึงแม้เราทํากิจกรรมที่นี่แต่ว่าสิ่งที่เราทําเนี่ยมันก็ได้กระจายไปทั่วโลกนะเพรไฟเสียงนี่ก็แจกกันไปทั่วประเทศมันก็เป็นประโยชน์แต่แต่ละจุดไม่ใช่เราจะได้ประโยชน์ตรงนี้ที่เดียวสื่อใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ต่อทางการเผยแพร่ธรรมะอีในช่วงเช้า มาอยากจะนําเสนออย่างนี้ว่าเมื่อวานนี่ฟังเสียงแล้วนี่จับได้บ้างมาได้บ้างชัดบ้างไม่ชัดบ้างจะสิ่งที่ได้นําแก้ไขวันนี้ที่เราสวดไปในเรื่องของสัมปชัญญปะปภะในตัวที่รู้ชัดเนี่ยเรารู้ชัดได้เป็นพักๆตามที่ตั้งใจรู้แต่พอเผลอมันก็ไปเรื่องอื่นทีนี้จะทํำไงตัวความรู้ชัดเนี่ยให้มันต่อเนื่องได้ยาวท่านก็ใช้คําว่า รู้ทั่วเข้ามากำกับอีกทีหนึ่งรู้ชัดนั่นใช่ว่าประชานาติคำว่ารู้ทั่วใช่ว่าสัมปชานาคาลีคืออินิบทย่อยต้องรู้ทั่วเทียบทใหญ่ต้องรู้ชัดนะถ้าสองอย่างนี้มาร่วมกันเนี่ยการเจริญสติประฐานมันก็จะกลายเป็นสติสัมพุทธชงได้ไม่ยากแต่ถ้าหากเราทําแบบไม่จิตไม่ใสใจไม่ตามเนี่ย การรู้ชัทั่วก็ดีรู้ชัดก็ดีมันก็จะได้เป็นพักๆนะแต่บางทีตั้งใจรู้เกินไปมันก็จะตึงจะเครียดนะตัวนี้ต้องต้องไม่ตั้งใจมากเกินไปทำงไง ร, รู้สึกมันเบามันสบายแต่ว่ารู้สึกตัวได้ชัดรู้สึกตัวได้ทั่วอันนี้ต้องโน้เน้นเพราะบางทีผู้ใหม่ผู้ยังไม่มีประสบการณ์เนะี่ยถ้าตั้งใจรู้สักพักนะก็จะเครียดจะเบือ่อจะตึงอันนี้ตั้งใจมากเกินไปเป็นความอยากละ ในที่ฉันก็ตั้งใจทำดีนะทำไม่รู้สึกมันไม่สบายมันอึดอัดตั้งใจทําอยู่แต่ตั้งใจด้วยอํานาจของความอยากมันเป็นตันหาแต่ตั้งใจที่เป็นสติปัญญามันจะรู้สึกโปร่งเบาสบายชัดเจนอันนั้นคือสิ่งที่เป็นส่วนแยกบอกเหตุแล้วว่าเออมันถูกต้องก็คือความเบาสบายความานิ่งความสงบมันก็ได้ปรากฏชัดขึ้นเรื่อยๆ แต่ถ้ามันมีความตึงความเครียดวุ่วายฟุ้งซ่านอะไรต่างนี่แสดงว่ามีอะไรผิดพลาดบางอย่างเกิดขึ้นล้วเราก็ต้องหาทางแก้แก้แล้วด้วยวิธีใดก็ตามถ้ามันผ่านก็โอเคเราก็ได้ปัญญาของเราเองแต่ถ้ามันไม่ผ่านก็ต้องอาศัยปัญญาของคนอื่น่หมายความว่าต้องถามครูบาอาจารย์ถามพี่เลี้ยงว่าเอ้ยฉันทํานี้มันเป็นอย่างนี้เพราะอะไรนีละอาศัยประสบการณ์ของกันและกัน ดังนั้นกริยามิตรหรือครูบาอาจารย์เนะี่ยมีไว้เพื่ออะไรมีไว้เพื่อปัญหาบางอย่างที่เราปฏิบัติแล้วเรวแก้ไม่ตกเราก็ได้ถามกันตรงนั้นอาจะมีประโยชน์ตรงนั้นเหมือนเราทางนี่เรายังไม่เคยเส้นทางนี้เลยยังไม่เคยเดินเนี่ยคือเดินแต่ว่าจําไม่ได้พอไปถึงทางสามแพ่งสีแพ่งสามแยกสีแย ก, 4, แยกเราจำไม่ได้ว่าไอ้ทางที่เราจะไปเนี่ยมันไปแยกไหนกันแน่ถ้าแยกผิดก็ไปคนละทาง มันก็าอาศัยคนแถวนั้นถามหรือบาทีเราขับรถไปบ้านนอกบ้านนาที่บ้านเราเราไม่เคยไปแต่รู้ว่าแผนที่มันบอกอย่างนีแต่แผนที่ไม่ได้บอกรายละเอียดถึงแยกถึงแพร่งถึงป้ายต่างๆมันไม่ได้บอกทั้งหมดก็อาศัยคนข้างทางคนรู้จักทางนะบอกเราการเดินทางทางจิตก็เหมือนกันการไปสู่มรรคผลนิพพานเนี่ยบางคนส่วนใหญ่ก็ยังไม่มีประสบการณ์ยังไม่เคยไป ดังนั้นมันไม่เคยไปมันมีทางแยกเยอะแยะในเรื่องของความคิดอารมณ์เรื่องราวต่างๆที่สั่งสมมาทั่วชีวิตชั่วชีวิตนั่นแหละมันเป็นทางแยกของเราพร้อมที่จะเฉล็บไปทางไหนก็ได้มันมีร้อยแยกพันแยกที่มันจะยากกว่าทางข้างนอกข้างนอกสามแยกห้แยกก็ถือว่าเยอะและ้วแต่ทางของชีวิตเนี่ยมันไม่รู้มาประสบการณ์มารู้กี่แยกถ้าเราไม่มีครูบาอาจารย์หรือไม่มีผู้ประสบการณ์เดินทางมาก่อนเราเนี่ยโอกาสเด็ผิดพลาดก็มากทางหลง ไปตามความคิดตามอารมณ์ของเราดังนั้นวันนี้เขานำเสนอว่าในการที่เราจะรักษาตัวรู้ชัดและรู้พร้อมได้ถ่อเนื่องเนี่ยใช้หลักระวังสองประการคือหนึ่งระวังความเพลินเพราะความเพลินเนี่ยอันเกิดจากความสบายเพราะในชีวิตจำวันของเราเนี่ยมันเอาความเพลินเนี่ยเป็นที่พึ่งอยู่แล้วเอนจอยนั้นเอนจอยนี้ไปเรื่อย นะเขาถือว่าเป็นเรื่องดีทางโลกแต่ในแง่ของทางโลกุตละแล้วถือว่าเป็นตัวอุปสรรคอย่างอย่างรุนแรงตัวเอนจอยหรือตัวเพลินนี่แหละเพราะว่าเรามีพื้นฐานที่เราต้องการกร่วมกันคือมีความสุขความสบายเมื่อมีความสุขความสบายแล้วเราก็ไปเสพอยากจะให้ความสุขสบายนะ้อยู่ได้นานๆแล้วก็คอยประครับประคองคอย หลอเลี้ยงอเอาเอาไว้อันนั้นมันก็เป็นความอยากล้วเพราะฉะนั้นความอยากก็เกิดจากความที่เราชอบนั่นแหละเพราะนั้นเวลาเราปฏิบัติไปแล้วมันรู้สึกสนุกแล้วก็เพลินจะคิดเพลินแล้วรู้สึกเพลินอะไรเนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวที่จะทําให้แช่หรือให้ให้หลงได้ก็เพลินก็นําไปสู่ตัวหลงละคือหมายความหลงเข้าไปใน อารมณ์นั้นขเขาเรียกว่าเสพอันนี้เกิดจากสุขเวทนาสุขเวทนาทีน่นี้สุขเวทนาได้ถามว่าเที่ยงไหมไม่เที่ยงเพมันอยู่ภายใต้กฎของใจรักถ้าเมื่อไม่เที่ยงแล้วความสบายกายเนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นอะไรไอ้ตอนที่เราเปลี่ยนใหม่รู้สึกสบายสักพักหนึ่งก็เปลี่ยนเป็นความไม่สบายความไม่สบายนี่เราก็บางครั้งเราก็ขี้เกียจจะไปปรับมันก็แช่มอยู่ตรงนั้นแหละพอทนได้ก็ทนไปแต่เราก็เพลินอีกเขาเราียกเพลินในความไม่สบาย เผลอในความไม่สบายเราเรียกว่าเผลอนะแต่เผลอในความสบายเรียกว่าหลงนะคือหลงเข้าไปเสพแต่เวลาเราไม่สบายแต่เราก็นั่งแช่นะทั้งที่ ม, นนมันหนักมันหนูมันทวงมันทับแต่เราพอทุนตะกทนไปทุสีไปไม่ยอมเปลี่ยนลักษณะนี้เรียกว่าเผลอไปคิดหล่ะความไม่รู้สึกไม่สบายกายมันจะนําความ นำไปสู่ความรู้สึกไม่สบายใจออกมาในรูปของความคิดปลุงแต่งอันนี้จำเป็นสูตรไว้เลยความสบายายมันจะเข้าไปเสพแล้วเข้าไปพเพลินมันจะออกมาในรูปของความง่วงและขี้เกียจเพราะมันเปลี่ยนแว่งด้วยกฎกดของไตรักความสบายก็ตั้งอยู่ไม่ได้ความไม่สบายก็ตั้งอยู่ไม่ได้เนะี่ยเพราะฉะนั้นในช่วงที่เราทำเนี่ย ก็สังเกตสองหลักนี้ไว้ก่อนว่าถ้าเราเสพในความสบายออกมาเป็นความเพลินแล้วก็หลงถ้าเราเสพในความไม่สบายมันจะออกมาเป็นความเผลอแล้วก็หลงมีตัวโมหะมัคอยตั้งหลับอยู่ทีนี้ถ้าหากว่าเราไม่ใส่ใจสองเรื่องเนี่ยการปฏิบัติของเราก็จะไม่ก้าวหน้าละ แต่ถ้าเราใส่ใจต่อสองเรื่องนี้คอยบำบัดแก้ไขบำบัดแก้ไขไปเรื่อยๆมันก็จะตัดไฟแต่ต้นลมแทนที่ตัวสบายมันจะนำไปสู่ตัวโสมนัสคือความยินดีพอใจและโสมนัสยินดีพอใจกานาไปสู่การเสพที่เรียกว่าอภิชาอันนี้ในสายของความสบายมันจะพัฒนาเป็นตัวอภิชาความง่วงอะไรเนี่ยเราเสพความสบาย คมง่วงความหาวความเงาความนอนเนี่ยแต่เราเมื่อเคาได้สังเกตเนี่ยมันเป็นไปเองโดยธรรมชาติของมันแต่หน้าที่ของเราคือเฝ้าระวังค่อยปรับว่าพอเพลินแล้วมันจะลืมหายใจมันจะสั้นลมหายใจสั้นแล้วออกซิเจนเข้าไปไม่พออาการง่วงเนื่องจากออกซิเจนเข้าไปเลี้ยงสมองไม่พอสมองขาดออกซิเจนอาการง่วงเหงาอาการหาวก็จะเกิดขึ้นอันนี้หลักาการแพทย์เขาเขาพิสูจน์มาอย่างนั้นดังนั้นเราไม่อยากให้เพลิน ในช่วงสบายไม่อยากให้เพลินก็คือพยายามกระตุกลมหายใจให้ลึกให้ชัดเอาไว้แต่ถ้าหากว่าเราเพลินแล้วจะรู้ว่าลมหายใจมันสั้นเขา้าสั้นออแผ่วเข้าแผ่วเข้ า, า, า, าเอาชิเย็นก็จะขาดความหาวจะมาก่อนแล้วจะนำไปสู่ความม่วงอันนี้รายละเลอียดในการที่เราต้องสังเกตและศึกษา ถ้าไม่อย่างนั้นแล้วการปฏิบัติของเรามันก็จะซ้ำซากอยู่กับที่แหละเพราะอะไรเพราะปัญหาญ่าปากข้อเราไม่พยายามแก้แล้วก็ไม่ได้ลงลึกในรายละเอียดนะใช่ไหมยุมจูนอาการหาวหมายถึงว่าหายใจสั้นละเพราะหายใจสั้นขาดออกซิเจนเข้าไปเลี้ยงสมองอาการหาวก็เกิดขึ้นก่อนอแล้วทักษสักพักก็จะง่วงดีนี้ตาก็จะหนักมันจะมันจะสัมพันธ์กันมากระหว่างรูปกวามน้ำลักษณะอย่างนี้ ผลขการที่เราแก้ไขไม่ใส่ใจต่อรูปปั๊บมันมีผลต่อนามคือทำให้อาการเพลินเพลินนี่อาการของการอาการของนามแล้วใช่ไหมแล้วก็ไปเสพความเพลินนู่นี้มันก็ออกมาเป็นความพอใจความยินดีอ่าใ น, นที่สุดก็เป็นอภิชาคือติดใจพอติดใจแล้วก็สติยังตามไปแก้ไม่ทันไม่ปรับอีกมันก็นำไปสู่ตัวนันทิคือความเพลินและนันธิตัวนี้นาไปสู่ตัวคร่อยาก ให้มากขึ้นเร็วเวลาคะราคัหลักนักปฏิบัติมันหมายถึงความความใคร่ทั้งเพศแต่มันเป็นหมายถึงความอยากจะได้ความสุขนี้ยิ่งยิ่งขึ้นไปความสบายตัวเนี้ยแม้จะเป็นความสุขที่มันอ่าเป็นมันเกิดขึ้นเองอย่างที่เราไปเสพความสบายเนี่ยนานๆเข้าแต่ราคะ่กเปลี่ยนมาเป็นพัฒนาความรุนแรงขึ้นเป็นตันหาตันหาก็จะเปลี่ยนเป็นกาหมตันหาภระวัฒนาดูแรงขึ้นก็จะเปลี่ยนเป็น โลภะไป ต, ตลอดสายจนไปถึงนู่นรากมันเปนสิบกว่ารากเลย อ, อันนี้แง่ของหลักวิชาที่พุทธเจ้าท่านเลียงเอาไว้ไปถึงกามาสวะตัวนี้ตัวสบายกายเนี่ยถ้าไม่มีสติสมยะไปตามกาหนดรู้มันจะไปตามสายนี้ไปจนถึงกามาสวะล่มต้นจากหนึ่งสุขเวทนาคือความสบายกายสองความสบายกายไม่ถูกกาหนดรู้ไปสู่ความพอใจเป็นเร่อโสมนัสเวทนา ความสบายใจไม่ถูกกาหนดรู้ก่อเป็นความติดใจเรียกว่าอภิชาอภิชาไม่ถูกกำหนดรู้เปลี่ยนมาเป็นนันทิความเพลินนันทิไม่ถูกกำหนดรู้เปลี่ยนมาเป็นราคะความใคร่อยากราคะไม่ถูกกำหนดรู้เปลี่ยนมาเป็นตัณหาการแสวงหาตอบสนองให้มากขึ้นอย่างรุนแรงตัณหาไม่ถูกตอบสนองไม่ถูกแก้ไขสติตามไม่ทันเปลี่ยนมาเป็นกามฉันทะ มาเป็นนิวรณ์ตัวแรกเลยเห็นไหมกา마ชันทะกามชันทะไม่อยู่ที่กําหนดรู้อีกมาเป็นโลพาโลพามาถูกกำหนดรู้อีกเป็นราคานุใสลาขานุใสไม่ ก, กำหนดกำหนดอีกเป็นโลพานุใสโลพานุใสไม่ถูกกาหนดรู้อีกเป็นกามมบาทานกาโมบาทานไม่กําหนดรู้เป็นกามาสวะเป็นละเอียดที่สุดเลยเห็นไหมเพราะว่า ตัวรากตัวเดียวที่ไม่กำหนดรู้มันสามารถแตกงอกออกรากไปยาวเหยียดเลยนี่มันจึงยากเห็นไหมเพราะฉะนั้นในช่วงที่เราเพลินเนี่ยเราก็จะเห็นปฏิกิยา ต, ตามลำดับออกมาเป็นความหาวก่อนเพราะขมงาสักพักก็ตาก็จะหนักหูก็จะหนักล้วไปสักพักมันก็จะง่วงวิธีการก็คือต้อง alert อยู่ประจำคือจะต้องหายใจดูหูตา ร่างกายเป็นไงแต่ได้ส่วนอันนี้คือวิธีวิธีที่เข้าไปแก้ตัวนี้ซึ่งถือว่ายากเพราะเราอยู่กับมันตลอดชีวิตเพราะมันกลายมาเป็นอาสวะกลายมาเป็นสัญชตาตญาณของเราวิธีแก้ก็คือว่าหนึ่งต้องรู้อาการชัดๆทั่วเนื้อทั่วตัวสองอาการชัดเหล่านี้จะต้องนําไปสู่พรอบจรอดของมัน อ่าสัมปชัญญะกาลีหรืสัมปชัญญะเนี่ยมันมีวงจรนองมันมีสี่วงจรหนึ่งชัดในขณะไหนที่เราทาอะไรสักอย่า ง, นงเนี่ยเราเป้าหมายคืออะไรอ่ารู้เป้าหมายรู้เป้าหมายเออเราต้องการความชัดที่ต่อเนื่องนะสองความชัดและต่อเนื่องรู้สึกสบายหรือไม่สบายบางทีชัดต่อเนื่องแต่รู้สึกไม่สบายกลิงเครียดตึง นี่เว่าไม่ถูกวงจรอันที่สองล่ะต้องสบายต้องผ่อนคลายวงจรที่สามกายกับใจต้องถูกตรวจสอบว่าอยู่ด้วยกันจริงไหมขณะนี้กายอยู่ในลักษณะไหนใจอยู่ในลักษณะไหนรูปอยู่ลักษณะไหนนามอยู่ลักษณะไหนให้เห็น ช, ชัดๆทั้งสองส่วนนี้ในวงจรที่สามอันที่สี่ถ้าชัดแล้ว ต้องตรวจสอบตั้งแต่ต้นเลยว่าหนึ่งเป้าหมายที่เราทำคืออะไรสองรู้สึกสบายหรือไม่สบายในขณะทำสามลายกับใจร่วมกันอย่างชัดเจนหรือเปลหรือเบอเบอ์หลงลง พ, พลาดพาการเข้าไปตรวจสอบสามเงื่อนไขเบื้องต้นนี้เรียกว่าตัวไม่หลงลืมในส่วนที่ผ่านมาเรียกว่ า, ากติกาของคาว่ารู้พร้อมมีสี่ยง ถ้าเป็นภาษาบาลีท่านใช้คําว่าศาสตะสัมปัญญาคือความรู้เป้าหมายว่าเรากำลังทําเพื่อให้มันเป็นอะไรอันที่สองเรียกว่าสปายะสัมปัญญะรู้แล้วให้สบายทําให้มันสบายสปายะอันที่สามกายกับใจร่วมกันอย่างถูกต้องและชัดเจนไม่ว่าเราจะลุกจะย่างจะไปที่ไหนแล้วประคับประคองยื่นไม้ยื่นมือยื่นเท้าไปตรงไหน ตามรู้อย่างชัดเจนกายกับใจไปด้วยกันและอันที่สี่มีการตรวจสอบสามเงื่อนไขข้างตน้นคือเหลียวมองดูที่ผ่านมาเป็นไงสบายไหมไถูกเป้าหมายไหมล้วก็กายกับใจไปด้วยกันไหมตรวจสอบอยู่เสมอเรียกว่าอะสัมโมหะสัมชัญญานี่คำว่ารู้ตัวทั่วพร้อมอย่างเดียวเนี่ยมันมี definition หรือนิยามของมันอยู่แต่ถ้าเราทาไปมั่วๆเนี่ยทาไปมันก็เป็นได้แต่ว่าไม่สามารถจะ พิสูจน์ผลได้ชัดเจนว่าถูกหรือไม่ถูกอืมเราก็นั่งหาการวอดวอๆเพราะไม่ถูกเพราะเราไม่ปรับอ่สบาสภาวอมัก็ง่วงตาก็หนักเราใช่ไหมหูก็เบลอแล้ว ม, มันพิสูจน์ได้ง่ายๆสภาวะธรรมมันทํางานมันตลอดเวลาด้วยอํานาจของไตรลักษณ์นอํานาจของไตรลักษต้องแก้ด้วยอํานาจของไตรสิกขาอ่าไตรสิกขาก็คือต้องใช้สติและสมาธิปัญญาเข้ามาแก้ ตัวอนิจจังต้องตามรู้ด้วยสติตัวทุกขังต้องตามรู้ด้วยสมาธิและตัวอนัตตาต้องตามรู้ด้วยปัญญาถ้าไม่ได้ตามรู้ในลักษณะให้ถูกต้องแล้วมันก็จะเปลี่ยนอนิจจังทุกขังอนัตตาเปลี่ยนเป็นสติสมาธิปัญญาไม่ได้มันก็จะเป็นไตรสิขาไม่ได้เพราะนั้นกฎของไต่ลักษณ์ถ้าเราทำอย่างถูกต้องมันจะเปลี่ยนเป็นกฎของไตรสิขาทันที และไตรสิขาตัวนี้จะนําไปสู่ก้าวหน้าในมรรคผลของมันเองอันนี้คือคือหลักที่เป็นตายตัวเลยในแง่ของการปฏิบัติแต่ถ้าหากว่าเราปฏิบัติไปสามปีสี่ชาติถ้าโดยที่ไม่คํานวณคํานึงถึงรายละเอียดเหล่านี้ก็เหมือนเราไปเรียนหนังสือไปเรียนไปแต่ว่าไม่มีการใส่ใจไม่มีการทําการบ้านฟังไปเล่นไปสนุกไปพอได้เนพอไปถึงเวลาสอบก็สอบไม่ผ่าน มันก็ไม่ก้าวหน้าล่ะจะเลื่อนไปสูงขึ้นไปก็ไปไม่ได้เหมือนกันในแง่ของนามธรรมาเราก็รู้ด้วยการวัดจากรูปธรรมนั่นแหละถ้าไม่มีตัวรูปธรรมเป็นตัววัดเราจะไปรู้ไงว่าศาสนาก็เป็นเรื่องมั่วๆเป็นเรื่องอะไรก็ไม่รู้มันไม่ใช่เรื่องจริงอ่ะเพราะฉะนั้นในการที่พุทธเจ้าท่านตรัสรู้มาท่านเรียบเรียงความรู้หลักสูตรที่ท่านตรัสรู้มาทั้งหมดเป็นรองรอยเอาไว้หมดแล้ว แต่ว่าผู้ปฏิบัติเนี่ยจะนำมาพิสูจน์ให้เห็นจริงตามนั้นหรือไม่เนี่ยอันนี้ที่เราถึงมาศึกษาและปฏิบัติกันนะทีนี้ในลักษณะของตัวเผลอและตัวเพลิน เ, เราจะมีวิธีรู้เท่าทันได้อย่างไรก็คือมาทำตามหลักของใจสิกขานะก็คือปรับในเรื่องสติและสติตัวนี้ ที่มันจะถูกต้องชัดเจนมันก็ดีเดนิฟิชันของมันสี่ประการเหมันกันเหมือนกับสัมปชัญญะเพราะว่าที่เราทําความเพียรเราเพียรด้วยสติสัมปชัญญะเท่านั้นนะเพราะท่านล็อกเอาไว้ในสติปัฏฐานสูตรว่าอาตาปีสัมปชานุสติมาวินัยยโลเกอปิชาและโทโมนัตที่เราสวดกันทุกครั้งที่เราจะเอ่ยบทเนี่ถ้าเราจําได้นะนะ อาตาปีสัมปชานุสติมาวินั ย, ยโยเกอภิชาโทมนาสังว่าเมื่อเราทำความเพียรด้วยความรู้สึกตัวทั่วแพรมและด้วยความด้วยสติเราจะสามารถบําบัดอาการของจิตได้สองอย่างคือความติดใจความพอใจและความไม่พอใจอภิชาไปความติดใจและโทมนาไปว่าความไม่พอใจ ความขืนอัดขัดเครื่องความคุ้นคล่องความอะอะไรก็แล้วแต่แหละในความหมายที่เป็นเน e g a t i นะดังนั้นความพอใจไม่พอใจต่างก็เป็นผลพวมาจากความรู้สึกสบายและไม่สบายนั่นเองดังนั้นวิธีที่ง่ายที่สุดก็คือเข้าไปตามรู้ความสบายและไม่สบายให้ชัดเจนเท่านั้นเองแต่ว่าเนื้อเมื่อแยกเป็นตัวบทขยายความมันก็เป็นหลักของทฤษฎีที่ซับซ้อนซึ่งเราไม่จะเป็นต้องไปรู้ รู้แค่ว่าเรากำลังเวิร์กอะไระแล้วก็ทํากัรมันจริงจังหรือไม่ถ้าเวิร์กกัรมันอย่างจริงจังถูกต้องชัดเจนและมีผลออกมาเป็นความปลอดโปร่งเบาสบายนิ่งสงบอันนั้นถือว่าถูกตามหลักสูตรทั้งหมดละโดยที่ไม่ต้องไปรู้เรื่องหลักสูตรเลยก็ได้แต่รู้อาการที่ปรากฏนี่นั้นคําว่ารู้ชัดทำให้เราไม่เผลอรู้พร้อมทาให้เราไม่เผลอมันก็ตัดเรื่องของ ความหอใจไม่พอใจด้วยอตัตโมัติของมัน mm hmm. ดังนั้นเราก็มาดูดว่าเออพเพลินคือลักษณะอย่างไรอย่างที่กล่าวแล้วคือความที่ทุกคนต้องการความสบายคําว่าสบายที่นี้ไม่ใช่สบายทางกายนะสบายทั้งหกทางเลยนะสบายทางตาเรียกว่าเห็นได้เห็นสิ่งสวยๆงามๆแล้วก็ติดใจพเพลินในเรื่องนั้นสบายทางหูได้ฟังเสียงอะไรที่มันเพราะมัน สนุกสนานก็แล้วกสบายหูเราก็ไปเพลินกับมันสบายทางจมูกอยู่ที่ไหนเราก็ต้องทําให้มันกลิ่นหอมกลิ่นดีเอาไว้อยู่ที่ไหนกลิ่นไม่ดีกลิ่นเฮิรนกลิ่นเหม็นกลิ่นอาบกลิ่นขาวเราก็ไม่ชอบเกิดโธมันัดไปอยู่ที่ไหนเราพยายามที่จะตกแต่งให้มันมีกลิ่นมีอะไรดีแล้วก็ Enjoy it, เอ็นจอยโดยก็เกิดตัวพอใจ เ, เราก็สบายจมูกสบายลิ้นหมายถึงความ อ, อร่อย เราก็ไปเสพความเมตตาเราได้เสพความสบายจนเพลินเหมือนกันสบายกายเราต้องการความรู้สึกสบายไม่มีความหนักความหนืดความปวดความเมื่อยความหนาวเกินไปร้อนเกินไปแล้วก็คอยบำบัดหาทางเพราะฉะนั้นความรู้สึกสบายไม่สบายมันมาจากแหล่งทั้งห้านี้พระธานตาหูจมูกลิน้นกายใจมาจากรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัส ถ้าเราไม่เข้มงวดกับการสังเกตเละศึกษามันจริ ง, รงๆเนี่ยเราก็ไม่สามารถจะไปตัดต้นต่อมันได้อ่าต้นต่อคือความเพลินแค่ความหลงนั่นแหละความเพลินและความเผลอแล้วระวังสองตัวนี้พอไม่ว่ารายละเอียดของความสบายไม่สบายมันจะมาจากแหล่งไหนก็ตามอ่ะแต่มาหลักดูทั้งสองตัวนี้ แต่ความเผลอและความเพลินถ้าเราทําไม่ถูกเหตุมาแล้วจะดักขนาดไหนมันต้องเป็นอยู่ดีมันต้องเพลินอยู่ดีมันต้องเพลออยู่ดีแล้วต้องดักที่เหตุมันเหตุมันคืออะไรเหตุเดิมเราคือแช่ในความสบายและความไม่สบายไม่พยายามปรับเปลี่ยนแก้ไขลักษณะความแช่ไป็นนานๆเราใช้ความอดทนบังคับผลจะออกมาเป็นสมร tha ความรู้สึกสบายไม่สบายถ้าเรามีความอดทนสูงสามารถ บังคับให้ได้อย่างใจผลออกมาเป็นสมถะคือมีพลังมีพลังจิตแต่ไม่ใช่พลังปัญญาและพลังจิตตัวนี้พร้อมที่จะเป็นอำนาจอะไรต่างๆอำนาจพลังทางจิตเป็นขังเป็นอิทธ่ปฏิหารเป็นฤทธิ์ปินเดชเป็นนิมิตเป็นสีเป็นแสงเป็นอะไรแต่มันจะออกมาในรูปแบบนั้นซึ่งมันเป็นสมถะแต่ในแง่ของพุทธธรรมต้องการให้ออกมาเป็นปัญญา เปลี่ยนแปลงความตัวหลงให้มันเป็นตัวรู้เป็นเป็นตัวเพลินให้มัเป็นตัวตื่นเปลี่ยนแปลงตัวหลงตัวรู้ตัวเพลินเนี่ยให้เป็นตัวเบิกบานให้ได้รู้ตื่นเบิกบานให้เปลี่ยนมาเป็นค่าของปัญญาโดยการผ่านการรู้ตื่นเบิกบานนะดังนั้นในภาคปฏิบัติเราจึงต้องพยายามนะต้องพยายาม หลักตั้งแต่เคลื่อนไหวการเคลื่อนไหวแต่และส่วนของร่างกายเนี่ยเบื้องหลังมันคืออะไรเบื้องหลังคื อ, อเราพยายามที่จะบำบัดความไม่สบายเพื่อไปสู่ความสบายท่านั้นดิงนะรู้สึกไม่สบายแล้วก็เคลื่อนไหวแต่ว่าในการเคลื่อนไหวโดยที่เราไม่ได้ตามรู้ควมจริงการเคลื่อนไหวนั้นคือสาเหตุเราต้องการบำบัดทุกขเวทนาเราถึงเคลื่อนไหว เมื่อบำบัดทุกขเวทนาเราเราไม่ได้ไปตามรู้อาการเคลื่อนไหวที่เราบำบัดทุกขเวทนานั้นตรงนั้นมันก็เป็นตัวเคลื่อนไหวแบบสัญชตาตญาณ น, นะบำบัดทุกได้เหมือนกันคนที่ไม่ปฏิบัติเขาก็บำบัดทุกได้เขาปวดเขาก็แก้ไขเขาไม่สบายเขากิกนยาไม่สบายเคลื่อนไหวตรงนี้ไปเขาเคลื่อนไหวไปโน่นนั้นตลอดเวลาทีเดียว ในคนที่ไม่ได้ฝึกฝนก็จะอยู่ด้วยสติที่เป็นสัญชาตญาณเพราะต่างคนก็ดังรักสุขเกลียดทุกข์ก็พยายามบำบัดทุกข์ออกไปพยายามให้สุขมันเกิดขึ้นทุกคนต้องการหมดแต่ว่าใครจะแปลงค่าของตัวนี้ให้เป็นเครื่องมือให้เกิดตัวสติสัมปชัญญะตัวปัญญาอันนั้นคือผู้ที่มาฝึกตามคาสอนของคระุเจ้าแล้วเห็น ความสาคัญเห็นที่ไปที่มาแล้วเริ่มศึกษาอย่างจริงจังตรงนี้คนฝึกก็สามารถเปลี่ยนค่าของสุขทุกข์กที่มันเกิดขึ้นด้วยหลักของตจลักออกมาเป็นตัวสติสมาธิปัญญาโดยอัตโนมัติเพราะนั้นสติแบบนี้ก็เป็นสติที่นาไปสู่ปัญญายานแต่สติที่เป็นสันทยายานัาญาณที่ คนทั่วไปต้องการอยู่มันก็จะเป็นเป็นโมหะไปเรื่อยๆแต่ถ้าสติสัมยาดนั้นถูกบังคับโดยอำนาจของสมาธิมันก็แปลงเป็นพลังจิตพลังฤทธิ์เดชต่างๆได้แต่ถ้าหากว่าตัวบำบัด ท, ทุกข์อันนี้ถูกตามรู้ด้วยอำนาจของสัพพัญญาและปัญญามันก็จะออกมาเป็นวิปัสสนาญาณไม่ใช่สัญชตาตญาณะเพราะนั้น เราจะต้องปรับเปลี่ยนนะปรับเปลี่ยนให้ทันโดยแปลงค่าของการเคลื่อนไหวสมมติเราเคลื่อนไหวร้อยครั้งเนี่ยอย่างน้อยตามรู้มันได้ถึงห้าสิบครั้งสามสิบครั้งอย่างํำที่สุดไม่น่าจะํำกว่ายี่สิบห้าครั้งต่อหนึ่งร้อยครั้งที่เราขยับปรับเปลี่ยนเคลื่อนไหวแต่ถ้าเราตามรู้ได้ถึงห้าสิบเจ็ดสิบแปดสิบนั่นถือว่า เราสามารถเปลี่ยนค่าของสันชาติญานให้เป็นปัญญายาณได้มากที่สุดโอกาสที่จะก้าวหน้าก็ไวแต่ว่าก็ดูดูอีกว่าในช่วงแรกรู้สึกก่าปรับเปลี่ยนเคลื่อนไหวอะไรกําหนดได้ดีพอมันล้ามันเหนื่อยพอเวทนามันมากปั๊บเราลืมลืมไม่เอาละใจไม่สู้ละก็ลปล่อยไปตามเรื่องามราวที่นี้เห็นไหมอันนี้ก็เรียกว่าความที่ความต่อเนื่องไม่พออการเคลื่อนไหวที่ได้กําหนดมาต้นต้ น, ตนมันอาจจะถูกลบไปหมดเพราะว่า ขั้นตอนท้ายเราไม่ได้ทําอย่างนักมวยเอาชก5ยกยกที่1ที่2มันชกดีมาตลอดเพราะที่3ที่4ที่5มันถูกชกตลอดยกที่1ที่2ไม่มีค่าเลยถูกล้มหมดเหมือนกันเหมือนกันชั่วโมงที่1ที่2เราทําได้ดีมากพอะที่3ที่4ที่5ล่าเหนื่อยถอยขี้เกียจเบื่อเซิงไอ้2 3ชั่วโมงครั้งแรกก็ไม่มีผลเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นไอ้ความต่อเนื่องจึงจึงเป็นดุลสําคัญในการเดีนศึกษาเรียนรู้เรื่องเนี้ย ก็จึงจะไม่อยากจะให้พลาดพร่อไหนๆเราก็มีศรัทธามีความเพียรต่อเรื่องนี้มาโดยตลอด mm. ก็อยากจะให้มันเป็นมรรคเป็นผลที่ถูกต้องชัดเจนพิสูจน์ได้ไม่ใช่ว่าละอากุศลละรำรบางอย่างที่หยาบๆออกไปว่าเราเห็นธรรมเราไม่ใช่อากุศลทำขั้นละเอียดก็ยังมีอีกอเราก็จะต้องศึกษาต่อไปหรือบางทีผู้ที่ชอบท่านบอกว่าอย่า ยินดีพอใจในเพียงกุศลธรรมขั้นต้นๆกุศลธรรมขั้นสูงขึ้นไปยังมีต้องทํำให้ละเอียดต่อไปอย่าสันโดษท่านบออย่าพึงสันโดษในกุศลธรรมหมายความสิ่งที่เป็นกุศลคือสติสัมยาชนี่มันเป็นกุศลไม่ต้องไปอพอใจว่าเอาแค่นี้ก็พอ ยิ่งทำได้มากเท่าไหร่ยิ่งดีเพราะสติสัมยะนี่ไม่มีเกินมันมีแต่พอดีแต่ถ้ามันเกินมันก็ไม่ใช่สติสมัมยาที่ถูกต้องแล้วสติสัสมยาที่ถูกต้องต้องนำไปสู่ความพอดีพอดีเสมอ น, นะแต่นั้นเองในการปฏิบัติในแต่ละครั้งแต่ละคราวมานี่บางทีเราก็ไม่ได้งลงรายลึกในรายละเอียดเพราะบางทีเรามีคนใหม่มากหลายคน เราก็ต้องไปแคร์คนใหม่ถ้าเราลงรายละเอียดลึกเกินไปคนใหม่เขาก็จะตามไม่ทันเราก็ไปได้กันแค่นั้นแต่ใ น, นลักษณะนั้นที่พวกเรามีประสบการณ์เรื่องนี้มาแล้วเนี่ยโอกาสที่จะลงรายละเอียดลึกมันก็ทำได้นะแต่ว่าเราจะปฏิบัติไปได้แค่ไหนเนี่ยขึ้นอยู่กับตัวชีวัดสองตัวหนึ่งต้องมีความรักและศรัทธาในการทาอันที่สองลงมือทาอย่างถูกต้องเรียกว่าความเพียร ถ้าสองตัวนี้ประกอบกันได้อย่างถูกต้องแล้วนั่นหมายความว่าความก้าวหน้าก็จะไปอย่างรวดเร็วมากนะความรักในที่นี้มันรักยิ่งกว่าพ่อกว่าแม่รักยิ่งกว่าลูกกว่าเต้าคือการรักตัวเองเพระพุทธญาณท่านต่ว่านัตถิอาตะสมังเปมังความรักอื่นเสมมติวยความรักตัวเองไม่มี ไอการที่เราบอกเรารักคนนู้นคนนี้ห่วงคนคนที้ก็คือเรารักตัวเองนั่นแหละเราต้องการเอาคนอื่นมาเติมเต็มในหัวใจของเราเราก็บอกว่ารักคนนั้นคนนี้แต่วันใดวันหนึ่งเกิดขาดผลประโยชน์ขึ้นมาเราจะรู้ว่าไอความรักมันจะไม่เหลืออะไรมันอยู่ด้วยรักเพราะมีผล ป, ประโยชน์ร่วมกันเท่านั้นเองเราจะรู้ว่าเรารักกันมากกันไยแค่ไหนจริง este? ไม่จริงอยู่ที่ว่าเมื่อผลประโยชน์ขัดกันเราจะรู้ว่ามันเหลือหรือไม่เหลือเพราะฉะนั้นโดยลึกๆแล้วไม่มีอ ที่จะไม่ใครรักตัวเองบางคนรักตัวเองมากจนคาาตัวเองตายก็มียอมรับสภาพความจริงไม่ได้นะดังนั้นเราจะทำยังไงในความรักในการที่จะให้ตัวเองเป็นอิสระภาพให้ตัวเองไม่ทุกข์ให้ตัวเองไม่เดือดร้อนเกินไปนะเราอยู่ในโลกนี้มันก็ต้องมีเหตุเพือจให้ปัญหาเรื่องโน้นเรื่องนี้นเป็นธรรมดาแต่่าให้มันเกินไปถ้าหากว่าเราผ่านการปฏิบัต อย่างถูกต้องแล้วแล้วเราสามารถบำบัดทุกได้อย่างสบายเพราะาเรามีวิธีการพรดฉะนั้ น, นกลไกวิธีการาต่างๆพุทธเจ้าให้ไว้หมดแล้ว <c oughs> เพียงแต่เรามาศึกษาแล้วทําตามอย่างถูกต้องก็พอละนะดังนั้นในบทเรียนในวันนี้ย่อๆสั้นๆว่าเราจะตามรู้ความเพลินและความเผลอและตามรู้ความ สบายและความไม่สบายของร่างกายความสบายทําให้เราแช่เราจุมความไม่สบายทําให้เราดิน้ดนหลนอ่าเราก็ลิรุลนหลีกหนีมันอความสบายทําให้เราเข้าหดืนเข้าหามันเราไปเสียมันความไม่สบายทําให้เราหนีมันกลัวมันมันก็จะเป็นสุดโง่งทั้งสองข้างนั้นเวลาพุทธเจ้าแสดงธรรมมันบอกว่าพิสูจทั้งหลายเธอเพึง <c oughs> ไม่เข้าไปถึงความสุดตรงทั้งสองด้านคือสุดตงทางด้านความสบายเกินไปเรียกว่ากามสุขาริการนโยกสุดโตงในท่านท่าความไม่สบายเกินไปเรียกว่าอตตะกิลมถานโยกแต่เพิ่งเดินดำเนินสู่ความพอดีคือทางสายกลางคือไม่สบายเกินไปและไม่ลำบากเกินไปปรับความสบายและความลำบากเข้าด้วยกันในอัตราส่วนที่ พอดีมันก็จะเป็นมัชชิมาปฏิปทานังนั้ น, น, นท่านธรรมเทศนากันแรกท่านเน้นเรื่องนี้เลยนะว่าที่เราไปไม่ได้เพราะเราไปสุดดวงแต่ชีวิตที่เราเป็นทุกข์เนี่ยก็เ ร, เราใช้ชีวิตดีแค่สองทางแต่เรามาเข้าทางสายกลางไม่ถูกเพราะไม่เคยฝึกฝนไม่เคยศึกษานะแต่เมื่อได้ฝึกฝนศึกษาแล้วก็เชื่อว่าจะทําได้เลยถ้าเราขาดความรักขาดความพยายามเมื่อมีความรักมีความพยายา ม, มอะไรเราเริ่ม สนใจเริ่มพิสูจน์เริ่มศึกษาแล้วก็เริ่มลงมือนะส่วนจะถูกจะผิดจะได้จะเสียอย่างไรนั้นขึ้นอยู่กับอการขวนขวายของเรานะว่าเรามันเป็นเรื่องของนามธรรมาเราพิสูจน์ได้ไหมว่ามันถูกพิสูจน์ได้ไหมว่ามันผิดก็มาเดินเรื่องนี้ก่อน่ะเดินเรื่องว่าเออตั้งตงัวเราเรามีกายกับใจอมีรูปกับนาม แล้วกายใจรูปนามนี่มันเราต้องการเกิดมาด้วยวิบากกรรมเนี่ยเราต้องกาให้มันต้องการให้มันกรรมมันน้อยลงได้อย่างไรนะคือให้มันสุขกับทุกขเนี่ยไม่ให้มันเกินไปให้มันพอดีแหละถ้าลักษณะทําสุขทุกขให้พอดีได้เมื่แล้ว ก, กรรมวิบากและความทุกข์ก็จะค่อยหายไปกรรมวิบากของทุกมันมันเกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะความเกินพอดีในเรื่องสุขและความเกินพอดีในเรื่องทุก นั้นเราก็เดินมาเจริญความรู้สึกตัวทั่วพร้อมและความรู้สึกตัวชัดๆเพื่อเป็นแสงสว่างชี้ให้เห็นว่าสุขที่ว่าเกินแค่ไหนเรียกว่าเกินทุกข์ที่ว่าเกินแค่ไหนเรียกว่าเกินสุขทุกข์ที่ว่าพอดีแค่ไหนเรียกว่าพอดีเพราะฉะนั้นถ้าจะมีคำหนึ่งในคงผูดการที่ท่านใช้กันประจาท่านใช้ว่าคำมี้อย่าง นะเวลาจะทักกันไม่เช่เออสวัสดีท่านสบายดีไหมไม่ได้ทักกันแบบนี้ท่านจะทักว่าคาำริยังอวุโซพอทนได้ไหมท่านเพราะชีวิตที่ต้องทนอ่ะเดี๋ยวก็ลุกเดี๋ยวก็ยืนเดี๋ยวก็นั่งเดี๋ยวก็นอนเดี๋ยวก็กินเดี๋ยวก็ทายอยู่อย่างนั้นอ่ะมันต้องทนได้สิ่งเหล่านี้ตลอดเวลาเพรนั้นเราจะทักถามกันไม่มีใครสบายดีอย่างที่เราถามกันหรอกแต่ที่เรา เราสบายดีเปพ็พูดปวดทั้งนั้นนะไม่ใช่ความจริง <laughs> เป็นวัฒนธรรมแต่โกงกันจนเป็นวัฒนธรรมเหมือนกันสบายดีครับเที่ยวข้าบที่ไหนคุณอยู่ข้าวนาเนี่ยคุณไม่สบายอยู่นั้นเนี่ยปวดเมื่อยจะตายบสบายดีอ่าพุทธยาก็ถามคขามาเรียงวอ้โซ่สบายดีไม่ท่านพระก็จะตอบว่ามาเรีงพันเตสบายดีขอรับเอ้ยพอทนได้ขอรับเขามาเรียงวุ้นโซ่พอทนได้ไหมท่านคขามาเรีงพันเตพอทนได้ขอรับก็จะถามกันแบบนี้ อันนี้หลักถามก็ไดับดกนะไม่มีคําว่าอโสติสทาโสตีประวันดุเดตขอความสวัสดีจงมีแก่ท่านทั้งหลายทุกเมื่อถืออันนี้มาแต่งใส่ทีหลังเอาไม่ใช่พรของผู้ดีเจ้าเอาสทาโสธีคอความสวัสดีจงมีแก่ท่านหอยมัน ไ, ไ, ไม่ไม่สวัสดีแล้ววันนี้มันมีแต่ความต้องทนเท่านั้นอปวดหนักก็ต้องทนอ่าปวดเบาก็ต้องทน นั่งนานก็ต้องทนเดี๋ทีนี้จะทําไงที่จะให้มันพอดีนั่นแหละเราถึงขยับปรับเปลี่ยนใ น, นการขยับปรับเปลี่ยนนีรียบทจึงเป็นประตูแรกที่เจะใช้เป็นอุปกรณ์เพราะฉะนั้นถือว่าเราโชคดีนะได้พบวิธีการขอั้วเทียนทําให้เราได้รู้หนทางแต่ถ้าวิธีการอื่นแล้วก็ทํามาพิสูจน์มาเยอะแล้วว่ามันมันไม่สะดวกที่จะทํา เพราะอะไรเพราะสติปัญญาเราอาจจะไม่ถึงขั้นนั้นก็ได้ไม่เช่กรรมฐานเขาไม่ดีนะกรรมฐานเขาก็ดีเหล่สติปัญญาเราไปไม่ถึงเราก็มาใช้กรรมฐานที่มันแมทมันพอดีกับสติปัญญาของเราอันนี้ก็คือวิธีการของเขาเทียนที่ลเอียดสมาทานมันรู้สึกว่ามันแมทพอดีกับกําลังสติปัญญาของเราเมื่อเราทําตรงนี้ได้มันก็จะทําที่ละเอียดสูงสุดได้ไอ้ข้อสอบที่ว่ายากเนี่ยเวลาไปเข้าห้องสอบปับ๊บเจอข้อสอบยากปั๊บนี่โอ้ท้อไม่เอาแล้ว รู้สึกว่าไม่ผ่านแต่คนฉลาดอ๋อข้อสอบมัข้อยากก็มีข้อง่ายก็มีก็ไปทําข้อง่ายซะก่อนอ่าพอมีข้อง่ายปั๊บสติปัญญามันเกิดเดี๋ยวมันก็ไปทำข้อยากได้เหลือทำไม่ได้ก็เหลือน้อยที่สุดก็เหมือนกันอ่านาปนสติแต่ละขั้นมันอาจจะเป็นข้อสอบที่ยากสําหรับเราเราก็เลื่อนมาข้อหยอบง่ายหน่อยก็คือมาทําอีโบทสีและอีโบทยอกเป็นข้อสอบที่ เหมาะกับเราพอทําดีศิวิบศิวุทย์ยได้ไปมันก็ไปเข้าไปหาอ น, นาปนสติมันก็ไปทําอานาปสนัสติได้โดยไม่ยากนี่เห็นไหมเพราะฉะนั้นมันจึงมีทางออกถ้าเราทําได้ถูกนะแต่นั่นเองก็วันนี้ให้ไปดูสองเรื่องคือความสบายและไม่สบายและความสบายทําให้เพลินได้อย่างไรแล้วตอนเย็นเราก็จะมาคุยกัน ่ความรู้สึกไม่สบายกายมันทำให้เผลอได้อย่างไรและความรู้สึกทั้งสบายสบายที่เราไม่ชัดเนี่ยมาทำให้หลงได้อย่างไรสามตัวนะความรู้สึกสบายทำให้เราเพลินความรู้สึกไม่สบายทำให้เราเผลอความรู้สึกไม่ชัดว่าสบายหรือไม่สบายทำให้เราหลง เพราะฉะนั้นลองไปดูวันนี้เราเพิ่งขี่นเปอร์เซ็นเหลอขี่เปอร์เซ็นแล้วก็หลงขี่เปอร์เซ็นไปใส่ใจให้ดีเพราะนี้เป็นบทที่เราจะต้องศึกษาในวันนี้ในรายละเอียดต่างๆที่หลวงพ่อยมกมาปรกอบนั้นเป็นรายละเอียดไม่ต้องไปใส่ใจก็ได้ใส่ใจว่าขนาดนี้ก็เราเคลื่อนไหวสบายไหมทำอย่างไรเราเคลื่อนไหวไม่สบายทำอย่างไรและในช่วงการ ก่อนการเคลื่อนไหวแต่ละครั้งเนี่ยเราได้ตั้งสติกำหนดรู้ไหมนะแค่นี้แหละนะเข้าใจนะนี่คือบทเรียนตอนเช้าวันนี้นะก็ขอนมุทนาสาธุที่เราจะต้องไปทำเดี๋ยวไปทำทัสนวัะไรเสร็จก็หาอะไรลองท้องนิดหน่อยก็มาลองปฏิบัติลงกันกลับบาพร้อกัน